เทศมหาชาติครั้งที่สองประจำปีนี้เสร็จสิ้นลงด้วยดีบรรดาลูกหลานพากันมาพร้อมหน้าเหมือนอย่างเคยจะผิดจากที่เคยไปบ้างก็ตรงจำนวนเหลนซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงเจ็ดคนจนยายจำไม่หวัดไม่ไหวความรุ่งโรยแห่งสังขารทำให้ความจำของยายเสื่อมถอยลงกว่าจะนึกออกว่า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 โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วจับเหรนผูกขาก็ได้นี่ยายหลานสาวคนหนึ่งเย้ยเมื่อตอนวันงานไม่เอายายไม่อยากทะเลาะกับหลานเขยหลานสะใภย้ยายแก่แล้วไม่มีแรงเถียงกับพวกเขารอยายตอบ ผมไม่ทะเลาะกับยายหรอกครับกลัวบาปกลัวกรรมลูกเคยของแม่จวนว่าเขาเป็นพี่เคยคนโตของหนุ่มเจริญและได้มาร่วมฟังเทศเป็นครั้งที่สี่ไม่บาปหรอกครับพี่สอนยายก็ชอบทะเลาะกับคนที่อายุยืนมาถึงป่านนี้ก็เพราะทะเลาะกับผมเป็นประจำหนุ่มน้อยที่ชื่อเจริญว่าแปลว่า เอ็งเป็นคนทำให้ยายอายุยืนอย่างนั้นใช่ไหมยายย้อนถามใช่ครับใช่โดยไม่ต้องแปลผมพูดภาษาไทยแท้ๆจะต้องแปลทำไมเป็นวันที่ยายมีความสุขมากเพราะทุกครั้งที่มีงานเทศมหาชาติลูกหลานจะพา ก, กันมาอย่างอุณาฝากขั่งพูดจากกระเซ้าเย้าแย่ ให้ยายเริงร่าสนุกสนานยายมีกำลังใจอยู่มาจนอายุจน9ก้าสิบก็ด้วยเหตุนี้รุ่งขึ้นจะเป็นวันออกพรรษามีการตักบาตรเทโวที่วัดสัทธาพิรมยายนั่งห่อข้าวต้มเพื่อเตรียมใส่บาตรโดยมีหลานชายเป็นผู้ช่วยยายครับ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 หอ่อข้าวต้มลูกโยนได้สวยงามไม่แพ้คนเป็นยายไอ๋หนูเอ็งรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงเรียกข้าวต้มที่ห่อด้วยใบขา้าวโพดว่าข้าวต้มลูกโยนก็เขาใช้ใบขา้าวโพดแทนใบตองถ้าห่อด้วยใบตองเขาเรียกว่าข้าวต้มมัด ยายถามเองตอบเองเสร็จสับผมถามเรื่องพระเวสสันดรยายกลับไปพูดเรื่องเข้าต้มคนแก่ก็อย่างนี้แหละหลานชายบ่นดังๆเองว่าอะไรนะยายเพิ่งจะสำเนียงผมถามว่าปีนี้ยายอายุเท่าไหร่แล้วครับหนุ่มน้อยแส้งเปลี่ยนเรื่องถาม เท่าไรก็เรื่องของยายยายตอบเพราะขี้เกียดนึกหลานชายจึงถามใหม่ว่าแล้วผมละ่ะอายุเท่าไหร่เท่าไรก็เรื่องของเองยายตอบเกือบเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนจากยายเป็นเองยายจาไม่ได้ก็ ว, ว่าเฮ้อคนแก่ก็ไปอย่างนี้แหละ เองไม่แก่บ่างก็แล้วไปยายชักฉิวคนอย่างผมไม่มีวันแก่ไม่มีวันตายไอ้หนูเองจะพูดยังไงก็พูดได้แต่ความจริงมันจะเป็นอย่างที่เองพูดหรือเปล่าเท่านั้นแหละเอาละ่ะเลิกพูดเรื่องเลวไหลไรสาระกันเสียที แต่กี้เองถามยายว่ายัางไงนะหนุ่มน้อยเห็นเป็นโอกาสจึงพูดขึ้นว่าผมอยากฟังยายเล่าเรื่องพระเวสสันดรที่ยายบอกว่าหลวงพ่อช้างเคยเล่าให้ยายฟังนะครับคนอายุ84รู้สึกปิติเมื่อได้ยินคำพูดของหลานอยากให้เขาถามเรื่องนี้มานานแล้วและยายก็อธิฐานทุกวันว่า ขอให้หลานชายคนนี้จงเปลี่ยนจากมิจฉาทิฐิมาเป็นสัมมาทิฐิวันนี้คำอธิษฐานของยายคงจะสำเริจผลทำไมเองถึงอยากฟังล่ะไอ้หนูก็แต่ก่อนผมคิดว่าเรื่องพระเวสสันดรโกหกแต่พอฟังเทศบ่อยๆเข้าผมก็ชักจะไม่แน่ใจถ้าเป็นเรื่องโกหกจริง พระท่านก็คงไม่เอามาเทศให้ญาติโยมฟังเพราะท่านสอนไม่ให้โกหกแต่ทำไมท่านจะมาโกหกเสยเองจริงไหมครับยายยายไม่เคยคิดว่าท่านโกหกอิงยายฟังจากหลวงพ่อช้างเล่ายายก็ยิ่งเชื่อว่าต้องเป็นเรื่องจริงอีกอย่างยายก็เคยเห็นแขก คนที่มาเล่าเรื่องป่าหิมพม า, านตให้ลุงพ่อช้างฟังแล้วกดชวนท่านไปเที่ยวที่นั่นตอนหลุงพ่อท่านเล่ายายเชื่อเลยหรือครับคนถามกำลังใช้ตอกไม้ไผ่พันรอบเข้าต้มลูกโยนสามรอบแล้วรวบปลายตอกเข้าด้วยกันบิดเป็นเกลียวแน่นส่วนยายปอกกล้วยน้ำว้าสุกเพิ่มอีกห้าผล เพราะข้าวเหนียวเหลือให้ห่อได้อีกประมาณสิบลูกกล้วยน้ำวานหนึ่งผลใช้ห่อข้าวต้มลูกโยนต์ได้สองลูกอย่ายก็รับฟังเอาไว้คนฉลาดนั้นเมื่อฟังอะไรเขาจะไม่เชื่อทันทีต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนและเขาก็ไม่ปฏิเสธทันทีเหมือนกัน ถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าผมโง่ใช่แล้วใช่โดยไม่ต้องแปลยายพูดภาษาไทยแท้ๆจะต้องแปลทำไมกันยายเรียนคำพูดของหลานที่ชอบพูดแบบนี้บ่อยๆตกลงผมยอมเป็นคนโง่แต่ยายต้องเล่าเรื่องพระเวสสันดรให้ผมฟังยายเคยเล่า ว, ว่าไปเจอแขกอยู่กับหลวงพ่อช้าง เขาช่วยยายทบทวนความจำถูกแล้วไอ้หนูยายต่างท่าจะเล่าให้เอ็งฟังตั้งหลายครั้งแต่ก็เล่าไม่จบสักครั้งเดียวเพราะเอ็งไม่เชื่อนี่แหละทึ่งทำให้ต้องมีอุปสรรคมาขัดขวางอยู่เรื่อยแต่ที่ผมจำได้แม่นยำก็ตอนที่ยายเมาพาลูกสาวมาฟ้องยาย แล้วผมก็ถูกยายตีตอนแกกลับไปแล้วก็ยังดีที่ยายไม่ตีต่อหน้านางมะลิมันรู้สึกว่าเองจาแม่นจังนะเรื่องยายเมาหนี่นะแม่นสิครับยายผมจะจําไปจนตายเฉวละยายคนนี้แกคงเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรของผมถึงได้ตามล้างตามพลานอยู่เรื่อยขนาดย้ายโรงเรียนก็ยังอุตส่าห์ตามไปฟ้องครูใหญ่ จนผมถูกเชิญให้ออกทั้งที่เพิ่งเรียนไปได้วันเดียวหลานชายเล่าถึงความหลังยังเจ็บใจยายเมาส์มาจนทุกวันนี้อย่าไปโทษเขาเลยหลานเอ้ยถ้าเองเป็นคนดีเสอย่างใครเขาจะไปทำกับเองอย่างนั้นจริงไหมคงจริงกระมัง แต่ยายเมาสกับผมเนี่ยคงจะต้องเป็นศัตรูกันไปตลอดชาติขอทีเถอะอย่าไปจองเวรจองกรรมกับเขาเลยนะไอ้หนูทางที่ดีอาโหสิกรรมให้เขาเสียชาติหน้าจะได้ไม่ต้องไาเจอกันอีกอ้อแล้วก็อย่าไปหลงรักลูกสาวเขาเขาละ ให้ผมตายังจะดีซสกว่าไปเป็นลูกเขยใหญ่เมาถึงนางมาลิมันจะสวยแต่เพราะมันเป็นลูกใหญ่เมาผมจึงไม่คิดจะเอามาทำเมียประเดี๋ยวลูกออกมาปากปลาร้าเหมือนยายมันแล้วผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนก็เอาไว้บนบา่าเหมือนที่ชาวบ้านไว้กันนั่นแหละยายพูดหน้าตาเฉย ตกลงยายจะเล่าให้ผมฟังหรือเปล่าครับเนี่ยหลานชายชักจะรำคาญเอ็งอยากฟังหรือเปล่าล่ะอยากครับและผมขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ยายเล่าจบโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางดังนั้นยายจึงเล่าว่าตอนยายเป็นสาวรุ่นรุ่น เขาใช้ให้ยายไปส่งปินโตหลวงพ่อช้างทุกวันท่านอยู่ในป่าท้าวตึกราชาฉันอาหารวันละมื้อเดียววันหนึ่งยายก็ไปเจอแขกจึงได้ถามหลวงพ่อว่าแขกคนนี้มาจากไหนยายเล่าอย่างคล่องปากเพราะจดจำได้แม่นยำกว่าทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิต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 จนยายหมดอารมณ์ที่จะเล่าต่อบ้างไอ้หนูเอ็งจําหม่นดีนี่ถ้าเช่นนั้นเอ็งกอดเล่าแทนยายก่อนแล้วกันยายชมแบบประชนนิดๆเล่าต่อไม่ได้แล้วล่ะยายเพราะยายเล่าให้ผมฟังแค่นี้ที่ผมเล่าก็เพราะต้องการจะแก้เคล็ดต่างหากหลานชายที่แจงแก่เคล็ดยังไง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 คนอายุ16วางมือจากงานที่ทำเดินบ่นออกไปว่าโถ่เอ้ยอุตสาหแก้เคล็ดแล้วก็ยังมีคนมาขัดขวางอีกจนได้ปพระเดียวหนึ่งก็เข้ามาบอกยายว่าขอทานนา ย, ายเขามาขอเข้าศาลตักไปให้เขาหนึ่งันานดูกลวยน้ำว้าในเรือนด้วย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 แล้วยายได้ยินตอนที่แกเล่าหรือเปล่าครับไม่ได้ยินหรอกไอ้หนูแต่ถึงได้ยินยายก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะยายไม่รู้ภาษาแขกคือตาแขกนั่นแกพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วหลวงพ่อช้างท่านพูดภาษาแขกได้หรือครับได้สิท่านบอกว่าแขกคนนี้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 หลานชายครั้นจะต่อล้อต่อเทียงด้วยอยากฟังเรื่องราวเป็นอันว่าหลวงพ่อท่านพูดกับแขกรู้เรื่องเพราะท่านใช้ภาษาสิงห์นแล้วท่านก็บอกยายว่าแขกคนนี้เป็นโยคีอยู่ที่ป่าหิมพม า, านได้เหาะมากับเพื่อนโยคีที่สำเร็จฌาน โดยเพื่อนคนนั้นทำประรอดให้แกอมตัวแกไม่ได้ฌานแต่อศัยอมประหอดที่เพื่อนโยกีทำให้จึงเหาะได้แล้วโยกีคนนั้นอมประหอดด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้ออมคนนั้นแกสำเร็จฌานจึงเหาะได้ด้วยฤทธิ์ทางใจทีนี้ โยกขี่สองคนนี่กาะเหาะมาด้วยกันแต่เกิดเทียงกันขึ้นกลางอากาศคนที่อมประลอดคงจะอ้าปากเทียงมากไปประลอดเลยหล่นตัวแกกอดตกลงมาในป่าช้าที่ลุงพ่อช้างอยู่นี่ลุงพ่อทันเราอย่างนี้เอ็งจะเชื่อหรือไม่เชื่อกอตามใจ ตอนนี้ผมขอรับฟังไว้ก่อนโตขึ้นผมจะต้องพิสูจน์ให้ได้หนุ่มน้อยพูดอย่างหมายมั่นตอนนี้เองก่อโตแล้วหนีนายายขัดขึ้นครับแต่ที่ผมยังไม่พิสูจน์เพราะยังโตไม่เต็มที่ผมหมายถึงว่าถ้าผมอายุครบบวชผมก็จะบวชเป็นพระและเจริญฌานสำเร็จฌานเมื่อไร ผมจะพิสูจน์เรื่องที่ยายเล่ายายวางเข้าต้มลูกโยนยกมือขึ้นสาธุขอให้เองทำได้อย่างที่ตั้งใจเถิดยายขออนุโมทนายายเล่าต่อสิครับกำลังสนุกแม้ผมอยากจะให้อายุครบปวดเร็วๆจังเลยเสียดายที่ผมเกิดไม่ทันหลวงพ่อช้างไม่เช่นนั้นผมจะไปขอให้ท่านเล่าให้ฟังคงสนุกนะยายนะ นั่นสิแล้วเองก็ให้ทันสอนเรื่องการเจริญฌานให้ด้วยของอย่างนี้ต้องให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองถึงจะหายสงสัยเสียดายนะที่ยายเกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายยายจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้ยายก็อธิษฐานสิครับว่า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 ศูนพันไปหมดแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายครับที่ศูนพันทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละคือถ้าผู้ชายมีหน้าที่ออกลูกแทนผู้หญิงรับรองว่ามนุษย์จะต้องศูนย์พันไปจากโลกเพราะผู้ชายใจสาะเมื่อทนเจ็บปวดไม่ไหว ก็จะพากันตายเสียหมดเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็จะสูญพันก็อหน้าที่ออกลูกเป็นของผู้หญิงนี่ครับยายผู้ชายมีหน้าที่ออกรบแบ่งหน้าที่กันแล้วหลานชายเข้าข้างผู้ชายผู้หญิงก็ออกรบได้ยาให้ถึงว่าผู้หญิงดีกว่าผู้ชายยังไงล่ะออกลูกก็ได้ออกรบก็ได้ เองเคยเห็นผู้ชายคนไหนออกลูกบ้างไม่เคยเห็นสักคนเอาเถอะครับผมยอมแพ้ยายในเรื่องนี้แล้วก็เห็นด้วยกับยายว่าผู้หญิงนี่ช่างอดทนเสียจริงถ้าผมไม่ได้บังเอิญเป็นหมอตำแยจำเป็นในคราวนั้นก็คงยังไม่รู้หนุ่มวัยสิบหกยอมจำนน